เรืองเด็กหลายคนเอาไม้ตีงูพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารกเด็กเป็นอันมากความพิสดารว่าในวันหนึ่งพระสัสดาเสด็จทรงบาทเข้าไปในกรุงสาวัตถีทรงเห็นพวกเด็กเป็นอันมากเอาไม้ตีงูตัวหนึ่งในระหว่างทางตรัสถามว่าเพราะเหตุไรจึงตีงู เด็กเหล่านั้นกราบทูลว่าเพราะกลัวมันกัดพระเจ้าค่ะจึงตรัสถามว่าพวกเจ้าตีงูด้วยคิดว่าจะทําความสุขแก่ตนจะไม่เป็นผู้ได้รับความสุขในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วแท้จริงบุคคลเมื่อปรารถนาสุขแก่ตนแต่ประหารสัตว์อื่นย่อมไม่ควรจึงได้ทง่งพาสิทิพระคถาเหล่านี้ว่าสัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหลายเป็นผู้ใกล้สุข บุคคลใดสแสวงหาสุขเพื่อตนแต่เบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยท่อนไม้บุคคลนั้นละไปแล้วยอมไม่ได้สุขสัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหลายเป็นผู้ใคร่สุขบุคคลใดสแสวงหาสุขเพื่อตนไม่พึงเบียดเบียนผู้อื่นด้วยท่อนไม้บุคคลนั้นละไปแล้วยอมได้สุขในการจบเทสนา เด็กทั้งหลายเหล่านั้นตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลดังนี้และ